ภาวนาเป็นบุญไหมเขาถามคำที่ว่าภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วภาวนาที่ท่านแปลสับออกมาว่าภาวนาแปลว่าทําให้เกิดทําให้มีที่ที่ญาติวายุลวงทําให้เกิดทำให้มีทําให้อะไเกิดทำให้ทําให้อะไรมีขึ้นทําให้สติ นี่ขึ้นเกิดขึ้นทําให้ปัญญาเกิดขึ้นยึดแตยว่าทำให้บุญเกิดขึ้นยึดถือรู้แต่ว่าทําให้กุศลเกิดขึ้นก็ได้ที่นี่บุญบุญคือความสุข ก, กายสบายใจกุศลคือความคือความสบายของจิตของใจคือสติคือปัญญาเรี่ยบอกกุศลคือความสวา่าง คือคำที่ว่าปัญญาเนี่ยนะอยู่ในหลักทำให้ความรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยให้เป็นปกติรักษากายไม่ให้มีโทษรักษาวาจาไม่ให้มีโทษรักษาจิตใจไม่ให้มีโทษนีษาาใมม่ใช่ไหมรักษากายวาจาใจ ให้เรียบร้อยให้เป็นปกติให้ซื่อวศิลความรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นได้ซื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารได้ซื่อว่าปัญญาเช่นนี้ก็ทั้งรอบ ท, รทั้งรู้ทั้งรู้รู้รอบกองสังขารจะถามว่า กองสังขรนยู่ที่ไหนกองสังขานเือแสงเงางานนี่แหละแงสั่งขานนี่ส่วนอยู่ภายในคือร่างกายและจิตใจของเราเรียกว่ากองสังขารมีสังขารภียในคือร่างกายและจิตใจของเรามีสังขารภายใสังขารสังขารภายนอกก็คือบุคคลอื่นสัตว์อื่นต้นไม้พูเขาเทาวัน นอกจากร่างกายของเราไม่หยุดแต่ว่าอยู่ในอยู่ภายนอกน่าจะเป็นสังขารสรังขารด้วยกันเพราะว่าเรียกว่าเรียกว่าสังขารจริงๆสังขารนี่มันมีอยู่อืมอยู่ในขันมันจะมีอยู่ห้ากองอกองสังขารก อ, องที่หนึ่งคือกองลูกนั่งรวมเนี่ อยูนี่ยู่ในกองลกนี่ยมัอมีมีธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมงไหมกองมีมีมีมีมีทั้สีกองมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่คือลูกเรียกว่ามหาพุทธลูกเทวลูกเทวโูกมีกองจริงจิงมีลูกที่ธาตุทัสี่นน้ำไฟม นี่กเ็เป็นสังขารเหมือนกันต่อไปกองที่สองเรียกว่าเวทนาความเจ็บปวดรเล่าความสุขความทุกข์ยันรอดอดแช็งองที่สององสังขารองที่สามองสัญญาความจำได้หมายรู้อ ง, องสังขารองที่สามองที่สี่จะกองสังขาร ทั้งขาภายนอกสัง้งขานไฟในกองที่กองขานกองที่ห้าคือกองวิญญาณวิญญาณท่านหมายเอาความรู้ทั้งตาความรู้ทั้งหูความรู้ทั้งจมูกความรู้ทั้งกายความรู้ทั้งจิตใจเพราะว่ารู้เวทันวิญญาณ ลูกทั้งตาท่านถ้าท่า น, า น, า น, านหรือว่าจักคูวิญญาณคือตากระทบกันตากับลูกตากับลูกหู ก, กับเสียงดังกับปีน ล, ลิ่นกับรบ ก, กายกับสุขภ<อ>ัเฑ์โมโนกับปารมนี่ตรงนี้แหละมันจะทำให้เกิด<อ>ตั้งหาคือความอยากธรรม า, าคือความอยาก เรียกว่าถ้าไม่เกิดตัญหาที่จะตา ก, ะกับลูกหูกับเสียงนั้นจะเปล่นรื่นกับรูกกายกับสมัมผัสอนนี้เนี่ตานี่เป็นอาญาชนะที่ต่ออาเนีเ่ยอาจจะเป็นอาญาชนะภายในคือเราคือตาเราคือ เ, เราอาญาอาญาชนะภายนอกคือของถอยนอกมากระทบกันบวกกันเข้าเป็นสองอนี้ก็บหู กับเสียงสิเสียงอยู่ภายนอกที่รับเสียงอยู่ภายในร่างกายเราคือหูเรา้ากับลูกมูกับเสียงดังกับจินลิ่นกับรถกายกับสัมผัสมโนคือใจกระทบกับอารมณ์รวมแล้วเป 16, 16, ็นสิบหกอย่างไม่ไม้รวมแล้วเป็นสิบสองข้างข้างข้างข้างเรา สองหกไปสิบสองสิบสอง่นซัดอดีตที่ผ่านมาสิบสองอนาคตจะมัมาถึงสิบสองในปัจจุบันีสิบสองรวมกันแล้วเป็นสาสิบหกสาสหกัอดีตที่ผ่านมาสสหกปัจจุบันสหอนาคตจะมมาถึงอีกสหรวมแล้วเป็นรวมแล้วเป็นตัหาแปเนี่ยัหาทีนี้ทีนีกเล พันหตั้หาด้อยแปรจิเรพันห้าหลวงปว่ามันไมใช่วิจจะพันห้าจิเรสิ่งที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองขุนมัวว่าวุ่นขุนมัวมืดจิตตื่นเนี่ยมันไป็นจิเรทั้งนั้นเรียกว่าจิเรกรมสมองขงใจอตรงนี้ล่ะที่พระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนให้พวกเรา มาปฏิบัติมารักษาพราจ้าแรกก่อนจะทำจิตใจให้ตั้งมันเป็นสมาธิได้ก็ต้องรักษาสินนี้ก่อนถ้าสินไม่มีเลยทำมารักษาถทำมารักษาสิ่งห้าห้าขอสิ่งห้าสิ่งห้าสิ่แปดสิ่งสิบสิสรยี่สิบเกิ ถ้าไม่รักษาถ้าไม่รักาถ้ามันยังไม่ปฏิบัติมันจะดำเหมือนกับสีสีสีผ้าของของยัดเยียดซีดำตั้งแต่มันเกิดมาถ้าไม่เคยรักษาเลยเน่ยในกรรมกรรมั่วมไม่จะปึกเข้าปึกเขาปึกเข้าปึกเข้าย่อมเข้าย่อมเข้าซีดดำย้อมจิตย้อมใจจิตใจย้อจิตย้อใจย้อมพม่าพม่ายเหมือนกับผ้าขาวว่าไหนก็ซุปเข้าซุปเข้าซุปเข้าซุปเข้ากินเมื่อมันมือเต็มที่แล้วที่นี่ ทำอะไรก็ได้ข่าสัตว์ตัวเล็กก็ได้ข่าสร้างตัวใหญ่ก็ได้ข่าคนก็นได้ต้องคุม้มครวเสยหายไม่เป็นไม่หลีเรียงนักเข้าก็เลยพร้อมเห็นของขีดของใจว่า <c oughs> บาปก็มีบุญก็ไม่มีมมนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีมรรคก็ไม่มีฝนก็ไม่มีมกก ถ้าจิตใจไปเห็นอย่างนี้ได้รับสารนี้เวลาไม่แตกตายทำลายสารนี้ไปกำสัวที่เขากระซ่องไว้เนี่ยไม่จะพากันจิตใจให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ำภูมิที่ทําไปเกิดที่ไหนภูมิที่ตําไปเกิดในเมืองนโลกไปเกิดปเป็นเปรตไปเกิดไปอสุรกายไปเกิดไปเศรษฐาสารไปเกิดไปพูดทีปีศาจแน่นอนไม่ต้องสงสัย ทีน ah ี้การปฏิบัต so, ิต้องต้นพฤติการให้ทางการรักษาศีลการเริญเมตตาเพราวนานเพื่อจะตามหาตนของตนให้ไม่ลูกหัไม่เห็นเดี๋ยนี้มันไม่เห็นตนเมื่อมันไม่เห็นตนมันก็เลยทำกุศลเสียห้ยและต่จะกระทำอย่างพ้ออย่างในประเทศแต่ละประเทศแต่แต่ว่าแต่ละประเทศรวมคำว่ามักเป็นประเทศจะมาเป็นจังหวัดแต่ละจังหวัด แต่แต่ละอำเภอแต่ว่าแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเพราะฉะนั้นไม่จะก่อขวนกันมันไม่สงบตำรวจและหลวงปู่ว่าเนะยถ้าต่างคนต่างรักษาชินห้าไม่ต้องมีกฎหมายกันเลยทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีไม่ได้เบียดเบียนกันไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้ข่มเหงลังเจกันไม่ได้ยี่แย่งแฉ่งดีกันเนี่ย ถ้าถ e ้าถ้าจิตใจเป็นทินไปทำเลยสิ่งหน้าถ้าเรารักษาปรษาไปเมื่อนานเขานี่มกาจะปุเมื่อกวจะเมื่กจะเป็นสินเมื่อเป็นศินมต่อไปมกาจะเป็นธรรมเมื่อจิตใจไปทนมเน่มื่อกเกิดมีเมตตาสงสรรบุคคลอื่นสัตว์อื่นปารธนาอยากให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเขามีความสุขกายสบายใจและคิดจะช่วยบุคคลอื่นสัตว์อื่นที่เขาตกทุกข์หนา ให้เขามีความสุขสบายใจเนี่ยจิตใจเขาใครก็าตามท่านมีลักษณะอย่างนี้เย็นเช่นนั้นมีมากมีน้อยเย็นอยู่ร่วมกันไม่ได้คมเห็นลังแจกกันนั่นเหมือกับพี่รลูกท้องน้องลูใชาอันเดียวกันสงสารมีตาสิ้นสารกั น, กนเย็นอันที่มันล้วนเป็ี่ยนไฟเพราะอะไรเพราะเปนโลกมันไม่พอแล้วก็ยื้อแย่งแจงดีกันผู้มีสมามากเท่าไก็ไม่พอทํำไมไม่จังไม่พอเพราะจิตใจมันไม่เต็มมันหิวหิว มีมาเท่าไรก็ยังหิวอยู่ไอ้ความหิวเนี่คือความจนความหิวนี่คือความทุกข์เพราะมันไม่เย็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสอนพวกเราให้พอกันรักษารักษาถี้ปกติแล้วไปภาวนาแล้วก็มาปฏิบัติเลี้ยงชีวิตการงานกันธรรมะหาเกี่ยงต้องการธรรมะหาเรื่องเสื่อมให้ไม่ถูกวันทางทำไม่เย็นเพราะท่านท่านจะมาวางวนทางปฏิบัติ ทั้งฝ่ายนอกภายในทั้งฝ่ายคารวะและฝ่ายปัญญาสิทท่านบางไว้ท่านมักมักหนทางอันเดียวกันะที่ท่านท่านเลี้ยงไว้ว่ามักทั้งแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวจ a j สัมมากรรมโตสัมมาอาสีโบสัมมาปยาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิคําที่ว่าสัมมาแปลว่าหนทางที่ชอบสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบท่านเห็นอะไร ท่านเห็นสัจธรรมเรื่องท่านเห็นอริยะสัจธรรมอริยะแปลว่าทํา ม, มันประเสริฐสัจจะแปลว่าของจริงของจริงของพระอริยะเจ้าใครก็ตามถ้าเห็นธรรมสามอย่างจิตจะเป็นพระพระอะไรละ่ะทีพระโสดาอายุแล้วแม้นางวิสาการเดิ สัมเด็จเป็นพระโสดาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเจ็ปีแต่ว่าพระโซดาไม่ยังอ่อนอยู่เท่ า, ถ, าถ้าจะเทียบกับคนคพเกิดกัเพิ่งเกิดใหม่เพิ่งเกิดใหม่เพิ่งรู้ให ม, ใหม่เห็นใหม่เห็นอะไระไเห็นของจริงเห็นของจริงเห็นว่าร่างกายกับจิตใจกายคือกายจิตคือจิต ล่งกายคือชาติทั้งสี่งจ <c oughs> <c oughs> ิต้วงใจคือคือร้งรู้คือตัวผู้รู้เนี่ยอย่าคอย่างใครเขาตามชอาปฏิบัติทำทำทให้จิตใจสงบก็ไปได้ไม่จะรู้เองเห็นเองปฏิตั้งลูกลูกของใครของเราว่าตัวสกายยติทินเห็นว่าไม่สงสัยว่ามิจฉิสาก็ไม่สงสัยว่าอะไรคือตนอะไรคือกาย ก็ามาต น, นที่นี่หมายถึงดวงจิตนุงใจดวงจิตนุงใจนิมเป็นนนาธรรมไม่มีตนไม่มีทวงไม่มีรูปไม่มร่างส่วนที่เป็นรูปเป็นร่างอันนี้เป็นก้อนธาตุทั้งหมดก้อนดินก้อนน้าก้อนไฟก้อนลมรวมกันอยู่ที่นี่ธาตุทั้งสีทั้งสี่ธาตุเนี่ยที่มองเห็นด้วยตาเนื่อนตาคุ้บุรุษก็จะเห็นแต่น้ำํำ ก, กับบิน กับธาตุน่ากับธาดีธาตุไฟธาตุไฟก็เป็นนามธรรมไม่มีความร้อนไม่มีตนมีตัวลมก็ไม่มีตนมีตัวนะ<ม>่ะ้าเข้าไปถึงกับยิงมันไม่มีจิตใจของพว้เริก็เป็นนามธรรมเหมือนกันที่นี่นี่ะสรุปแล้วมันหลงอะไรที่มันหลงตนมันไม่เห็นตนจำไว้นุ่งผูดเดินไ ป, ไปไปห้องน้ํำ ม, มองขึ้นไปที่รอดเข้าไปเห็น ผู้ใดเห็นตนผู้ใดเห็นเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นสร้างเข้าไปนั่นก็จริงเขาเขียนไว้เพื่อให้เราพูกเราไปอ่านอ่านเราไปขบไปคิดไปวิจัยวิจารนเราไปตามหาตัวของตัวนั่นนะท่านว่าผู้ใดเห็นต่อผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพุทธะคือตัวผู้รู้นั่นพุทธะคือตัวผู้รู้ธรรมะคือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสังฆะคือผู้ปฏิบัตินะ ผ้านี่ไม่ได้อยู่กับหัวร้อนกับผ้าเหลืองผ้าระยำนี่ก็เป็นผ้าได้ถ้าเห็นทำสามอย่างเห็นอย่างไรละเห็นทุกข์หนึ่งเ ห, เห็นเห็นตัวสมุทยัยเห็นทุกข์เกิดนี่หนึ่งเนี่ยถ้าเห็นนี้โรกคือความดับทุกข์นิโรธก็คือจิตเข้าไปสงบจิตเข้าไปดับสงบลงไม่มีอะไรทำจิตใจให้มันว่างนี่นี่เรียกว่านิโรธจะได้ หรือว่าจะเลือกวีมุตก็ได้มันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกล้งอย่างละเอียดอย่างอย่างหยาบอย่างกล้งอย่างละเอียดอย่างสูงสุดโดยตามขั้นตอนนตั้งเลกาประทังคำวีมุตประทังประทังประทะไว้ไม่ให้มันกําเริบเสิบสานละเอียะประทังว่าประท่ังคําีมุตคำประนวีมุตเนี่ยคำประนวีมุต มันจะง อ, อกไปช่วงข้างช่วงระยะเหมือนกับเขาเอาก้อนศิลาก้อนหินไปทับหญ้าไว้เมื่อเอาไปทับหญ้าแล้วทับแล้มองดูหญ้ามันก็ไม่เห็นแต่ว่าเสื้อมันยังมีอยู่ถ้าเอ า, อาศิลอาออกมาก็จะงอกขึ้นมา อ, อีกนนจะว่าทําพ็นธรรมีมุดที่ี่ไปถึงขั้นสมุติเสทธรมุตุดขาดตอนกันต่อกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เหมือนเปรียบประมาณปม า, ปมาเหมือนกับน้ำอยู่ในขวด ปวดตัวขึ้นปวดน้ำตื่นน้ำถ้ามันไม่จะไม่เข้า ก, ก็พบมารู้มานขัดตอนกันเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปไปถึงขั้น่นขั้นพะพระอนาคามีผลเนี่ยร่างกายกับจิตใจจิตใจใครก็าตามมันจะรู้เองเห็นเองพอใจตามของใครของเรานี่มันจะหาจากความอยากไม่อยากหาจากความอยากหายจากความอยากหายจากความหิว หายอยากควบไปนนั่นไปนี่หายมดมเหลือแต่ร่วงท่อมเรื่อนๆมาเรื่องท่อมขึ้นหวกีดหัวใจนั่นแต่ว่าการปฏิบัติกิเลสมันไม่ทําี่มันเบรกไว้<ม>จะไปทำมันก็ไม่กม็กหาว่าจะไปนั่งสมาธิภาวนากลัวจะเป็นโรคนั่นโรคนี่จะเก็บใข้ได้ป่วยการรักษาสีลก็กลัวจะม่ได้กินนู่นกินนี่ หาว่ามันจะไม่มีไม่ยิ้มไม่อยู่ไม่กินมันไม่ไปทําการทำมาการดูการกินก็เหมือนกันแต่กินของสุกของบริสุทธิ์มันมันก็ไม่ให็กินมันก็บังคับไม่กินฝุ่นลาดเลือดลาดก้อยสุกสุกพีพีกินก้อยกินฝุ่นเนื้อสัตว์ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับกุ้งกับป้านยนเข้าไปในปากมันยังไม่ตายกระเช้าอยู่ในปากหาว่ามันมีรสชาต อะไรยังนั่นเห็นไหมหรออย่างสุราท่ที่มันก็มันจําเพียงตัวร่างกายมันก็บังคับพขากินนั่นเช่นเนี่ยมันขวางไปมันไม่ทําสรุปเรียกว่าทำที่พ ร, ระพุทธเจ้ารูร้พ่าพระพุทธเจ้าเห็นะอะอริยสัจธรก็คือทุกข์นี่แหละทุกข์หนึ่งสงมุทัยเห็นที่เกิดมาเห็นทุกข อยากมาล่านตัวเซมอยู่แล้วม่เจอบีบไม่เจะบีบเห็นไม่ถึงจิตไม่ถึงเขาจะหาว่าทางออกหนี้มันจะสาวหาเหตุมันมันเกิดจากที่ไหนตรงไหนทุกจริงจริงมันจะตรงไหนฝุ่นค้นเข้าไปเมื่อไม่เห็นจริงตามจริงเข้าไปเห็นเห็นตามความจริงหรอกใจมันก็ทอนมันก็จะวางเมื่อมันวางเข้าไปวางแล้วมันก็เฉงงเข้าไปนะมันก็จะไม่มีจะพูดอย่างที่ว่าทุกสมุทรนี่นีโรดนี่โรดกับหนีโรดซับเดียวกันแหะถ้าไม่เห็นทุกถ้ามันไม่เห็น มันไม่มันไม่หนี้็เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายและทั้งสัตว์ทั้งบคคมันปิดไว้ปิดทุกปิดทุกกับปิดรรมันอะไรหนัปิดทุกถ้าเป็นอมนุษย์เรากะฆ่าฆ่านุ่งผ้าห่มผ้าเสื้อเสื้ใแม่สอของเราฆ่ากับปิดทุกกับปิดธรำอาหารการบริโภคปิดทุกกับปิดรมที่อยู่อาศัยปิดทุกกับปิดธรรมยาบำบัดโรค ทุกข์ก็ิธรขนั่นบอกอาจารย์มเมื่อทุกข์ก็โผล่ขึ้นมามันมากเพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ทุกข์ควรดูทุกข์ควรวิจัยวิจารณ์ควรทุกข์ควรพิจารณาภพคิดให้แตกให้แหลกให้หายสงสัยนั่นแหลพวกเราพอไม่พอหน้าึ้นมานเดียวเท่านั้นแหะหยุดหยุดี่เเป็นเปกแล้วมันไม่ทานอนซะดีกว่า สุดท้ากั็เลยเอาเอาหมอนเป็นสนาระที่พึ่งแต่ได้กลายเป็นว่าเอากินสนารานักสามินอนสนารานักสามิไปไปกันเดยทีคุณนักเข้ากับเวลาเจ็บแค่ได้ปวดกับหมอสารานักษามิโรงพยาบาสลสาังคัสษามิยาสารานักสามิพฤหัสพุ่งตันงรอกพระพูท้ทีเจ้าท่านให้มากมาปฏิบัติทุ่น มามะทำตรงฟูตตนให้ไม่เป็นที่พึ่งของตนฉันจะว่าอัตหิอัตโนนาโถตนนั้นแหละที่จะพึ่งของตนนั่นแหละพหอฮีนาโถปโยก็รอที่ยาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้อย่างขั้นน้องก็มาหาธุกขจเกิดทุใจไม่จินจะหมดที่นี่ที่นี่เวลาทุกข์เกิดขึ้นตัวสมุทัยจะทําว่าตัวสมุทัยอยู่ที่ไหนก้อนสปลนกายของพวกเราเนี่ยหมดทั้งก้อนนี่นี่ก้อนเหตุทุกเกิดก้อนสมุทัยในร่างกายฟ้อมทั้งจิตใจ ลเรื่องจริงๆตัวเหตุตัวปัจจัยจริงๆคือชี้ใจน่หละเป็นตัวสมุนไพเป็นตัวเหตุแต่ทุกตัวจริที่นี่เมื่อสุกมันเกิดที่นี่เมื่อมันดับมันกระดับลงที่ที่นี่มันจะหมดไปสิ้นไปหมดลงที่ที่ดวงจิตดงใจนี่เมื่อมันสงบเข้าไปจิตมันว่างไม่มีอะไรจิตหยุดนิ่งรู้่มันสงบก็หมดรูปมันก็ว่างมันไม่มีก็คือมันไม่มี ที่นี่ที่พวกเราพากกันป่าท่านานการปฏิบัติทัต้องเป็นทหงการในทางการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาปล่อยข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพานพานพระนิพพานไม่ได้แสดอยู่ในท่ทองฟ้าอากาศพระนิพพานอยู่ในดวงจิตดวงใจเขาพวกเราถ้าปฏิบัพระนิพพานก็คือนิพิธาความเบือ่อทำให้ทำไงไม่จะเบื่อเบื่อได้หรืเบืออเบ่อจิตใจทัเดียวหรว่ามันดงเบือ่อเบื่อตาเบื่อหู เบื่อจมูเบื่อลิ้นเบื่อกายเบื่อจิตใจเนี่ยเบื่อลูกเบื่อเวศนาความสุขความทุกข์เบื่อสัญญาความจำได้หมารูกเบื่อทั้งแความปรุงความแต่งความคิดความึกดีใจเสียใจเบื่อปัญญาความรับทราบตาหูจมูกเลือดกายใจมันเบื่อหนายเมื่อคายพรามกำหนัดจินดีเมื่อมาคลายความกาหนัดจรินดีจริงเมื่กับพ่นกับพ้นไปจากที่เดินมันจะพ่นไปมพ่นอย่างท้องฟ้าอากาศเลยไม่ใช่เลย เพราะฉะนั้นจะ้ไกมากๆมันจะเฉดลัไม่จะได้เบื่อนะเพราะฉะนั้นท่านที่ว่าอวิชชาปัตยาศังขาราอวิชชาความความมืดบนโลกการหนึ่งมันเป็นมันเป็นมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขาราปัตยาวิญญาณังสังขารร่างกายก้อนสากลรกายเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณความรู้สึตาหูจมูกนี่การเจนวิญญาณปัตยานามารูปังเป็นมารเป็นปัจจัยให้เกิดนามบู นามลูกเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดภาษาภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดวิทนาเวศนาเป็นปัจจัยให้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานนั่นนะครับต่อไปเป็นทราบเป็นสามมานาโสปาริเสวะทุกขโทมานาจูปายาสาสัมภวันติเอวะเบตสาเกวะลาทุกขคัมสสะสมุระโยโหติมันเป็นตัวเสมอไทยเป็นเหตุทุกขเกิด ที่นี่ก็ที่ท่านเลี้ยงสั้มสังเบสไว้น่ะอยู่ในสั้มะจัตชาที่ปีทุกขาชาติกัเป็นตัวสมุทรไทยชาที่ปีทุกขาความแก่กับเป็นตัวสมุทรไทยเนี่ยน่ะซาลาปีทุกขาพยาที่ปีทุกขาความเจ็บไข้ได้ป่วยกับเป็นตัวสมุทรไทยเห็นทุกเกิดมารานปีทุกครั้งความแตกตายทำลายขันก็เป็นตัวสมุทรไทยเนี่ยเป็นเห็นทุกเกิดทั้งหมด ล่ะครับโชคลาเทวาทุกขโทมนัสทปายาสาปิทุกขะปิยหิสัพปายโคทุกขปิยหิิปโยโคทุกขยัมปิสังนราฏิตัปทุกขังสังคิเตนะปจุปธานะคถาทุกขาอีลังโคภนะปิกะเวทุกขะสมุดโยอริยสัจจนะเห็นบอยายังตันหาโนุพวิการันดีลักขสักตตตัาตตาาพียดีนีเสยที่ดังกามตันห้าภวตันห้ากิภวตันห้า อีล่งพ่อนาพีเขเว ล, ลูกข า, โโ ท, ลลาที่ราโทอริยะจัจังนั่นะเนี่ยถ้ามันรู้ถึงจิตถึงใจนี่มันสงบจิตใจพงว่างเข้าไปท่านสิว่านีโรดคือความดับทุกข์นีโลดกับนี้โดอันเดียวกันนั่ น, นะถ้าจะใครมันนีโลด ถ, ถ้าจะใมันพ้นก็ต้องหาทางทำนัดจะทิ้งได้ร่างกายสรุปแล้วหาทางทิ้งกายชนิการการปฏิบัติ นี่ข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ 3. สัมมาสังกรปร์ข้อที่สองมัดดัมดิออกจากกรรมจะทำปรากรรมอยู่ที่ไหนก้อนสกละกายนั่งยึนก้อนกรรมกรรมภายในคือร่างกายเราและจิตใจเราถ้าจิตใจเรายังยิดมั่นถึงมันอยู่ในกายจิตใจก็เป็นกรรมนี่นเป็นกรรมพูดละไปไปถึงขั้นพระอนาคามี พผลกรรมจะมันจะหมดออกจากใจจากใจมันจะขาดตอนกับกรรมกรรมตัวนี้มันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษถ้ามันมีกรรมพวกเราก็จะไม่ได้เกิดทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่กรรมตัวนี้มันมีทั้งคุณทั้งโทษโทษมันก็มาหันคุณมันก็อนันต์ที่จะมามาปฏิบัติเราเอาอ ส, อสมบัติของกรรมเนี่ะเอาวัตถุของกรรมมาเหนือมาปฏิบัติมาทํา สร้างคุณงามความดีมาปฏิบัติพรภาวนาให้ม่ผ่านพ mm hmm. ้นเพราะฉะนั้นมันอยู่รวมอยู่กับพวกเราเนี่ยอย่าไปสงสัยอีกอย่างนี้ง็จิตใจของคนในปัจจุบันบางรายก็ไปไปสั่งไปสอนกันแม้กระทั่งพระก็เห็นผิดเหมือนกันน mm hmm. พระพุทธเจ้าและพระอริเจ้าเข้าสู่พระวรีนิพพานไปแล้วหมดมากหมดผล น่นซึ่งปฏิบัติก็รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้มนะันก็แปลว่าคนไม่รู้จักขอทางคนไม่รู้จักมรคนไม่รู้จักผลมรคือข้อปฏิบัติมรคสอแปรตั้งสมาธิสมมาสังกปโสมาวาจาสมมากรรมโตสมาอัศวอสมมาวิโมสมาสติสมมาสมาเทศน์ของทางที่สอนย่นลงมาก็มีอยู่สามแบมีอยู่สินและคำมีสมาธิคำมีปัญญานั่นสินที่ไหนสินอันใดที่นะ่ะ สิ่งอันใดสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดวินมุอันนั้นนะ่ะวินมก็คือพวุพเนั่นแปลว่าทีาท่ีสงสัยว่าบุว่าบุพเพนเพราะฉะนั้นมันจึงไม่รักษาสิ่พวกที่เห็นแนบบกันครับไปท้าหงบเบืองกันจะไปกินลอกของเขาอยู่ก็แปลว่ามันหาว่าไม่มีมรรคมีผลมันไม่มัมนไม่มีข้อปฏิบัติผลไม่จะเกิดขึ้นมาอะไรอย่างไงแต่บุพเพก็เกิดได้เหมือนกันแ ต, แต่ว่าแต่ว่าเพนั่น ผลผลผลที่ได้รับก็คืออะไรล่ะคือบาปอากุศลหนึ่งผลผลเอาผลเอาผลไฟชั่วผลเอาผลไฟอากุศลผลผลายอกุศลาธรรมะมันไม่ไปใช่เป็นกุศลาธรรมะไม่ไปเป็นกุศลเขามากขามกุศลอยกขวางคือความความสบางของจิตของใจคือสติคือคนญากคือกุศลนี่ ที่ีกบบุญก็ะทวมสุขกายสบายใจนี่เรียกให้ชื่อว่าบุญพระเจ้นเจ้ายาไปส่งสัยพวกเรามักขอพคุณที่ว่าพิจิตรสมาธิพุาผลคือการผลผลของการปฏิบัติคือความสุขกายสบายใจแล้วก็คือสติคือพุทธาที่นั่นที่ที่ท่านมาสอนให้เนี่ยให้มาสร้างสติสรางสมสติให้มันเดินขึ้นเดินขึ้น้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น ให้ไม่เต็มเมื่อสติเมื่อสติเต็มปัญญากเ็เต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่าให้ให้เสียให้นว่าให้มาส ร, ร้างสติความในเลือดลุ่ยให้มาเป็นสติสัมโพธสงใหไม่เลยให้มันเลยเลยสติคมลึกแต่พวกเราฝึกใหม่ๆ ม, ม, มันยังเป็นสติเลลึกอยู่ยังมีการฟั่งเฟืออยู่ สติไม่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าสติสมบูรณ์แล้วที่ก็ท่านให้ซื้อให้นำมาสติสำโพธทรงทรงไว้สิสติะถ้าไปถึงจุดนี้ได้ไม่ต้องไม่ได้รักษาสิ่ก็มาไดรักษาเพราะมันเป็นสิ่อยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าจะให้ไปทําคราบครัวจะห้ไม่ทําไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่ทําไม่ลงไม่ก็เลยไกล เป็นเป็นมหาสติเป็นมหาปัญป ญ, ญาและกับเลขาเป็นสติสัมพธทสงนเนี่ยรวมแล้วมันก็หมดที่ท่านให้ให้ชื่อให้นามว่าพระอรหันต์หมดจิตชี้หมดจิตชี้จะทุ่นทำจากโคปนิสสะโขมมติอนารโยตมุติสควา ม, มลุทุนพงกิจของใจบ่มียังเกี่ยงแต่แหลกที่พระได้คิดใจ ก็จะให้คําพังเพยว่าเกี่ยงมัดจะทา้งในเกี่ยงมาดทางในใสใสทังกระดูเกียบเ่ยงทั้งข้าปูทั้งข้าพเล่าล้นมัดผมมีอย่างสรุปแล้วที่นี่ของดีที่สุดอยู่ในดวงพวกเราอยากจะไปเข้าใจให้มันผิดไปเพี้ยนไปของดีที่สุดก็คือจิตใจของพวกเราทุกคน่ะจิตใจอันบริสุทธิ์ ถ้าทํำทักษิจจะให้บริสุทธิ์ได้มีหลักของดีสิของดีที่สุดคือทักษิจบริสุทธิ์เพราะใของเราจะทำว่าพวกเราอ๋อนีแค่สิ้นห้าวัตถุประจะรู้ได้เห็นได้ไหมไม่ต้องสงสัยเพราะให้ทําให้มมากๆจนทำที่ว่ามากที่นี่ให้ให้ให้ทำให้ไปติดต่อกันย่างย่างมามาภาปนามาบริกรรมพุทโธพุทโธโธเนี่ยให้ไปต่อต่อต่อต่อเนื่องกันเรื่องแม้แต่มาเผยเรื่องแว้แต่นอนหลับทำไม่ต่อต่อกันลองดู นุ่ปูวา่าไม่นานเนี่ไม่ถึงเดือนทํามาต่อกันที่จริงไมันต้องปรากดขึ้นมาแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้มันเป็นอย่างนั้นจินขึ้นมาแต่ละวันจิจตใจมันไปจี้แหลมบังคับไปตามอารมณ์จะจ ะ, จะมาเลยลึกถึงเอาขึ้นง้างฟอร์อมดีอนนึ่งบ้านหนึ่งบางค น, นเลยลกฟุตทอบ้านหนึ่งข้างเดียวก็ไม่มีนี่ข้างเดียวก็มีเดือนหนึ่งั้งหนึ่งก็ไม่มี มีหนึ่งข้าหนึ่งก็ไม่มีเราจะเอาจะจะเอามากมาจากตรงไหนเจ้าผลมาจากตรงไหนมันมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะตั้งยึดตั้งใจทําจริงจริงจังแน่วอนไม่ต้องสงสัยมาพูดกเจ้าทํามไมไ่โกหกพกรมใครเลยมาสั่แสดงทําซึ่งบอกอากล่าวขึ้นมาหนึ่งไม่มีสองตรงแนวอย่างเดียวไม่ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่โกหกพกรมใครเขาพูดได้ทำเพราะพูดเจ้าเพระพเาพระว่าสั่งชี้สามันรอบมูหมดเนย ที่ท่านปฏิบัติทางัวนางคนทุกท่านสร้างบรารมีนกปารนาเป็นพระพุทธเจ้ามาน่ยสี่อสงไขยอยู่เนี่ยกำไรแสนมหากัาบมันจะเพียงลึกทักย้อนนอกหาน้ำไปกูเนี่ยพูดทั้งต้นหรืแ่แจกไปสร้างปทายปทายปารนาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้าตัวแต่พวกเรานี่มไม่ถึงขนานนั้นมาปฏิบัติ ทิ้งใคนียกได้จบแล้วเพราะว่าเร า, ม า, ม า, มาไม่ได้ไปสอนใครไม่ได้เอาใส่พระพระพุทธเจ้าท่านศาสนาท่านจะมาลื้อสัตว์คนสัตว์เข้าสู่พระโพนิพานพวกเราไม่ถึงขนาดนั้น